นครกระดูกพระพุทธภาษิตอาินังนาครังกตังมังสะโลหิตะเลปนังยัตถชราจะมัจุจัมาโนมะโคโจะโอหิโตแปลความว่านครคือกายนี้ทําด้วยกระดูกมีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาเป็นที่ตั้งลงของความแก่และความตายความทะนงตนและการลบลูคุณของผู้อื่นอธิบายความพระอธิกถาาจารย์พรรณนาไว้ว่า เหมือนอย่างว่าเรือนไม้มีไม้เป็นโครงฉันใดสิรีระนี้ก็ฉันนั้นมีกระดูกเป็นโครงมีเส้นเอ็นเป็นเครื่องรึงรัดชาบด้วยเนื้อและเลือดหุ้มหอด้วยหนังเป็นที่ตั้งลงแห่งชราซึ่งมีความซุดซอมเป็นลักษณะแห่งมัดจุซึ่งมีความตายเป็นลักษณะแห่งมานะซึ่งมีความเมาเพราะอาศัยความถึงพร้อมด้วยสวดส่งอันงามเป็นต้นเป็นลักษณะและแห่งมักกะซึ่งมีการรบลูคุณของผู้อื่นเป็นลักษณะ อาพาธอันเป็นไปทางกายและทางจิตย่อมตั้งลงในสิริละนี้นอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะพึงถือเอาได้โดยความเป็นแก่นสารจะพัฒนาความโดยสังเขปตามแนวของพระอัจฉริาจารย์เพิ่มเติมอัตโนมัติยาทีบายตามหลักวิชาบ้างเล็กน้อยคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาหลายแห่งเรียกกายนี้ว่ากายยนครแปลว่านาครคือกายผู้ครองนคร น, นี้คือพระเจ้าจิตตราชษักล่าวคือจิตหรือใจ อวัยวะต่างๆและสรีระยนต์ต่างๆเป็นพลเมืองของพระเจ้าจิตราตนั้นกายกับจิตจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดโบราณเรากล่าวว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวคือจิตเป็นผู้ออกคําสั่งกายเป็นผู้ปฏิบัติตามดูเหมือนว่าไม่มีนายและบ่าวคู่ใดที่เป็นห่วงเป็นเป็นใหญ่กันเท่า ก, กับกายกับจิตเราจึงเห็นได้ว่าเมื่อใดกายกระวนกระวายเจ็บปวดหรือหิวกระหายเมื่อนั้นจิตก็พลอยกระวนกระวายด้วย พลอยขาดความสุขไปด้วยและเมื่อ น, นั้นจิตจะคอยเลี้ยวหาที่พึ่งให้แก่กายคอยหาทางบำบัดให้แก่กายถ้าหาทางบำบัดได้ใจก็สบายแจมย่มใสถ้ายังบำบัดไม่ได้ตรบาบใดใจก็ยังกระวนกระวายอยู่ตราบนั้นท่านจึงกล่าวว่าใจาที่สบายอยู่ในร่างกายที่เป็นสุขมีแต่พระอาหารหันต์เท่านั้นที่จิตมีอำนาจเหนือกายโดยเด็ดขาดกล่าวคือแม้กายจะกระวนกระวายอยู่เพราะความเจ็บปวดเพราะความหิวกระหายแต่ใจของท่าน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 เมื่อนั้นความทุกนั้นย่อมแผลกระจายมาถึงกายด้วยเมื่อใดใจมีความกังวลหวาดกลัวโกรธจัดริษยามากเป็นต้นเมื่อนั้นย่อมมีผลกระทบกระเทือนถึงกายด้วยทุกครั้งไปความวิตกกังวลและความเศร้าเสียใจที่กอบกินใจอยู่นานๆอาจเป็นเหตุให้เกิดโรคเรื้อรังบางอย่างได้เช่นคนไข้บางรายมีอาการคล้ายกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรังหรือมีแผลในกระเพาะอาหารมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงแต่เมื่อหมอตรวจ ด, ดูอย่างดีทั่วแล้ว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 ลำไส้มีการเคลื่อนไหวมากจนถ่ายอุจจาระออกมาโดยไม่รู้สึกตัวกระเพาะมีอาการบีบรัดตัวทำให้เคลื่อนไส้จเจียนเป็นต้นวงการแพทย์ในเมืองไทยเรากล่าวว่าในจำนวนคนไข้ที่มาหาเพื่อการปรึกษาและรับการรักษาโรคคนที่เป็นโรคทางใจเป็นต้นเหตุนั้นมีถึงหนึ่งในห้าหรือราวร้อยละยี่สิแต่ในสหรัฐอเมริกาคนไข้ที่มีสาเหตุมาจากกีจนั้นมีมากกว่าเมืองไทย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 จึงควรรักษากายด้วยดีรักษาจิตด้วยดีคุ้มครองกายด้วยดีคุ้มครองจิตด้วยดีจะพนานามากไปก็เกินความสรุปว่ากายนี้เป็นเหมือนนครหนึ่งซึ่งมีกระดูกเป็นโครงอธิ น, งน า, างนครางกตังมีเลือดและเนื้อเป็นเครื่องฉาบทามังสะโลหิตะเลปนังเลือดนั้นไหลเวียนอยู่ทั่วร่างกายอาศัยเส้นโลหิตเป็นทางจรใหญ่บ้างเล็กบ้างฝอยบ้างด้วยเหตุนี้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 ท่าว่าคนถูกบาดแผลนี้กําลังใจสําคัญที่สุดถ้ากําลังใจเสียก็ตายเร็วถ้ากําลังใจดีตายช้าหรืออาจรอดชีวิตได้ทางแพทย์บอกว่าเลือดมีอยู่สองชนิดคือเลือดดํากับเลือดแดงเลือดดายังไม่ได้ฟอกเลือดแดงได้ฟอกแล้วพร้อมที่จะส่งไปเลี้ยงร่างกายส่วนเม็ดเลือดก็มีอยู่สองชนิดเหมือนกันคือเม็ดเลือดดําและเม็ดเลือดขาวหน้าที่สําคัญอย่างหนึ่งของเม็ดเลือดแดงคือการต่อสู้และทําลายเชื้อโรค ส่วนเม็ดเลือดขาวจะทำลายเชื้อโรคโดยการกินเชื้อโรคเข้าไปในตัวของมันและเชื้อโรคจะถูกน้ำย่อยต่างๆในเม็ดเลือดขาวนั้นทำลายเสียสิ้นเลือดเกิดจากอาหารที่บำรุงร่างกายนั่นเองเลือดเป็นมันสมองเป็นกล้ามเนื้อและเป็นกระดูกเพียงแต่ยังเหลว อ, อยู่เท่านั้นอวัยวะทุกส่วนย่อมดูดเอาส่วนที่ต้องการจากเลือดกล่าวได้ว่าเลือดเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งในร่างกายแต่เมื่อออกนอกกายแล้วเลือดมีกิ่นคราว เมนปฏิกูลพึงรังเกียจเป็นสิ่งปฏิกูลอย่างหนึ่งในอาการสามสิบสองเนื้อนั้นคืออวัยวะที่มีอยู่ทั่วไปในกายอันผิวหนังห่อหุ้มไว้เนื้อและเลือดคลุกเคล้ากันอยู่ทุกแห่งที่ได้มีเนื้อที่นั่นมีเลือดเราจึงมักได้ยินคําพูดไปด้วยกันเสมอว่าเลือดเนื้อเนื้อห่อหุ้มกระดูกไว้เมื่อเชื้อเนื้อออกในที่นั้นจึงมองเห็นกระดูกสีขาวกายซึ่งเป็นประมวลแห่งอาการสาสิบสองมีเลือด เนื้อหนังเอน็นกระดูกเป็นต้นนี้นี่เองเป็นที่อาศัยอยู่ของความแก่ความตายมานะและมรรคมานะนั้นคือความทนงตนความเย่อหยิงยกตนว่าสูงกว่าผู้อื่นมีอาการเหยียดผู้อื่นบางคนได้อาศัยร่างกายนี้เป็นที่เพาะมานะให้เจริญเติบโตขึ้นเพิ่งเห็นสตรีที่สวยงามบางคนเป็นตัวอย่างเธอหลงในร่างกายอันสมมติว่า ง, งามของตนแล้วดูหมิ่นเยียดยามผู้อื่นและอาศัยกายงาม อันกอให้เกิดความกำหนัดแก่บุรุษเพศนั้นเป็นเครื่องมือยั่วยวนให้คนลงและประกอบกรรมช่วยต่างๆ ต, ตามความปรารถนาของตนบางคนอาศัยความงามแห่งกายทำลายตบะของผู้มีตบะดังมีเรื่องเกี่ยวกับฤาษีและนพรจำนวนไม่น้อยในอดีตมะขะนั้นคือการบรบหลูคุณของผู้อื่นอธิบายว่าเขามีคุณก็ไม่ยอมรับว่ามีคุณแก่ตนเป็นตน้นว่าโดยความปฏิกูลกายนี้มีความปฏิกูลโสโครก เป็นที่หลายออกแห่งอสุจินานาประการว่าโดยโทษกายนี้เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์และโรคนานาประการสุดจะพนานาได้ว่าโดยคุณกายนี้มีคุณในฐานะเป็นเครื่องมือรับใช้ผู้มีใจสูงสะอาดให้ได้ดประกอบกรรมดีอันเป็นประโยชน์แก่ตนครอบครัวสังคมและประเทศชาติตลอดถึงโลกเช่นกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านักวิทยาศาสตร์บางท่านในแพทย์บางท่านเป็นต้นโลเกียธรรมทั้งมวลย่อมมีทั้งคุณและโทษ บางท่านหลงผิดในรูปกายอย่างรุนแรงแต่ต่อมาได้บรรเทาความหลงไหลอันนั้นบรรเทาความเมาเสียได้เป็นประโยชน์แก่ตนอย่างมากเช่นพระนางรูปนันธาเถรีมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้พระนางรูปนันธาเป็นพระกนิษฐภักนีของขรานันทะซึ่งพระาศาสดาให้สำเร็จพระระหัตผลด้วยอุบายาล่าวมาแล้วในยะมะกะวะัววะวรณนาเรื่องที่เ้าตามเรื่องที่ปรากฏในคมภีว่าพระนางรูปนันธานั้น มีพระรูปกายสวยงามมากจนเป็นที่เลื่องลือว่าทรงเป็นชนบทกลยาณีคืองามที่สุดในแคว้นวันหนึ่งพระนางมาปรารบว่าเจ้าพี่ใหญ่ของเราคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสละเสวราชสมบัติออกผนวดเป็นพระพุทธเจ้าผู้เอกอัครบุคคลในโลกพระราหุลราชโอรสก็ออกผนวชแล้วเจ้าพี่ของเราคือพระนันทาก็ออกผนวชแล้วแม้พระมารดาของเราก็ออกผนวดเช่นเดียวกัน พระประยุนญยา่าจนวนมากออกผนดแล้วในศาสนาของพระพุทธเจา้าผู้ทรงเป็นพระญาติของเราประโยชน์อะไรในการอยู่ครองเรือนของเราเราเองก็ควรจกบวชเช่นเดียวกันเมื่อดํำริดดังนี้แล้วพระนางจึงทรงผนดในสำนักพิษณุณีพระนางทรงผนดเพราะความสเสน่หาในพระญาติหาใช่เพราะศรัทธาไม่แม้บวชแล้วก็ไม่ประสงค์เข้าเฝ้าพระศาสดาเพราะเกรงว่าจะได้ฟังพระดํารับพนาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาของโลก ทั้งนี้เพราะพระนางยึดมั่นอยู่ว่าพระรูปของพระนางนั้นสวยงามน่ารักน่าพอใจส่วนชาวนาครสาวัตถีที่เริ่มใสในพระพุทธศาสนาจะประชุมกันฟังธรรมทุกเวลาเย็นแม้ภิกษุณีสงฆ์ก็เหมือนกันย่อมไปฝ้าพระศาสนาเพื่อฟังธรรมทุกเวลาเย็นทั้งชาวนาครและภิกษุภิกษุณีสงฆ์เมื่อฟังธรรมของพระศาสนาแล้วโกสันเสริมพระธรรมเทศนาไม่ได้ข้อความสรรเสริมพระธรรมเทศนานั้น พระนางรูปนันธาได้ทรงสดับหนึ่งนิดเสมอมาพระนางทรงรำลึกว่าคนทั้งหลายชมเชยพรร น, นาคุณแห่งเจ้าพี่ของเรานักหนาหากเราจะไปฟังธรรมบ้างแม้พระองค์จะทรงตำหนิเรื่องรูปของเราก็จะทรงตำหนิศักเท่าใดเทียวถ้าอะไรเราแอบไปกับภิกษุณีทั้งหลายมิให้เจ้าพี่เห็นเราฟังธรรมเสร็จแล้วกลับมาเมื่อตกลงพระทัยดังนี้แล้วจึงตรัสบอกเพื่อนภิกษุณีด้วยกันว่าวันนี้จะไปฟังธรรมด้วย พิชซุนีทั้งหลายสงสาบแล้วคิดว่าไม่เคยมีเลยที่พระนางรูปนันธาจะแสดงความประสงค์ไปฟังธรรมของพระศาสดาวันนี้ปลาจริงหนอเป็นลาภของพระนางแล้วที่ได้เข้าเฝ้าพระศาสดาอันหนึ่งเพราะปรารบพระนางรูปนันธานี้พระศาสดาคงจักแสดงธรรมเทศนาอันวิกิตดังนี้แล้วพาพระนางไปตั้งแต่เวลาที่ออกจากที่พมนักพระนางรูปนันธาทรงตั้งพระทัยว่าจะไม่ให้พระศาสดาเห็นตน จะบซ่อนอยู่ในตอนหลังๆวันนั้นพระศาสดาทรงดํารีว่าวันนี้รูปนันทามาฟังธรรมธรรมเทศนาอย่างไรหนอจึงจะมะแก่เธอทรงเขีนว่ารูปนันทาเป็นผู้หนักในรูปมีความพอใจในรูปเยื่อใ ย, ยในอัตภาพอย่างรุนแรงการบรรเทาความเมาในรูปด้วยรูปนั้นแหลหมอกแก่เธอเหมือนการบ่งน้ําด้วยน้ําท่านกล่าวว่าบุคคลในโลกที่ได้เห็นพระสัททาครแล้วไม่เลื่อมใสมีอยู่น้อย เพราะพระองค์ทรงมีพระคุณสมบัติครบถ้วนที่ให้บุคคลเลื่อมใสรักและพอใจหนึ่งบุคคลบางพวกเป็นรูประมาณิกามีรูปเป็นประมาณคือพอใจในรูปที่สวยงามเลื่อมใสยเยื่อยา ย, ายในบุคคลที่มีรูปงามบุคคลเจ้าพวกนี้เมื่อได้เห็นพระสรีระของพระสถาคตอันงามพร้อมมีพระลักษณะพิเศษมีพระชวีดุดทองคําย่อมเลื่อมใสสองบุคคลบางพวกเป็น โกสตะมานิกามีเสียงเป็นประมาณคือชอบคนเสียงไพเราะบุคคลจำพวกนี้เมื่อได้ฟังพระสุรเสียงของพระศาสดาแล้วย่อมเลื่อมใส 3. บุคคลบางพวกเป็นลูคะประมาณิกามีความปอนเป็นประมาณคือเลื่อมใสในบุคคลหรือภิกษุที่ประพฤติปอนไม่ฉูดฉาดบาปตาบุคคลจำพวกนี้เห็นบริขารมีจีวรเป็นต้นอันมีลักษณะเรียบพื้น แราจากความกาวาวของพระาศาสดาแล้วย่อมเลื่อมใสบุคคลบางพวกเป็นธรรมะประมาณิกามีธรรมเป็นประมาณคือเลื่อมใสในบุคคลผู้มีศีลมีธรรมบุคคลจะพวกนี้ได้เห็นศีลสมาธิและปัญญาของพระาศาสดาอันไม่มีใครเสมอเหมือนแล้วย่อมเลื่อมใสพระาศาสดาได้ทรงมองเห็นอุปนิสัยของพระนางรูปนันทาว่าเป็นรูปประมาณิกาควรจะแสดงธรรมเกี่ยวกับรูปแบบเอาหนามาบวงหนาม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 ทรงเห็นพระสรีพระอันวิจิตด้วยพระลักษณะร่วงเรืองด้วยอนุพยัญชนะอันพระสมีวาหนึ่งห้อมล้อมอยู่ทรงเห็นพระพักพระศาสดาอันมีสิริแจ่มใสดุจจันทเพนและได้ทรงเห็นหญิงรูปหนึ่งยืนถวายงานพักอยู่ที่ใกล้พระศาสดาพระนางทรงแอดูรูปหญิงนั้นแล้วแอดูอันภาพของตนทรงรู้สึกพระองค์เหมือนนางกาซึ่งอยู่ใกล้านางพญาหง จำเดิมแต่ได้เห็นรูปของหญิงเนรมิตั้นแล้วพรนไทยของนางถูกความ ง, งามแห่งสรีระนั้นดึงดูดไปแล้วหมดสิน้นพระนางทรงรำพึงว่าหญิงนี้มีผมงามหน้าผากของเธอก็อ ง, งามเป็นต้นพระนางได้มีจิตเสน่หาในรูปนั้นอย่างรุนแรงพระศาสดาทรงทราบว่าพระนางโรพนันทามีความพอพระไัยในรูปนั้นอย่างลึกซึง้งอันความงามแห่งรูปนั้นครอบงามแล้วมีพระประสงค์จะให้พระนางเห็นความแปรโปร่งแห่งรูป จึงทรงบันดาลให้รูปนั้นแปลจากอายุสิหกปีอย่างเข้ไวที่ยี่สิบพระนางรูปนันธาทอดพระเนตรแล้วมีจิตเบื่อนายหน่อยหนึ่งว่ารูปนี้แปลไปแล้วไม่เหมือนรูปก่อนเลยพระศาสดาทรงทราบวาระจิตของพระนางรูปนันธาแล้วจึงทรงบันดาลให้รูปหญิงนั้นแปลเปลี่ยนเป็นหญิงคลอดบุตรครั้งเดียวหญิงวัยกลางคนหญิงแก่หญิงแก่แกคร่ำคร้าบเพราะชราแม้พระนางรูปนันธาก็าเบื่อนายโดยลําดับลําดับ ระยะต่อไปพระนางได้เห็นหญิงนั้นแปลรูปเป็นคนแก่มากฟันหักผมหงอกหลังโกงซี่โครงเหมือนกรอนเรือนมีไม้เท้ายันข้างหน้างกงานอยู่พระนางทรงเบื่อนายเหลือเกินพระศาสดาทรงบันดาลให้หญิงนั้นอยู่ในสภาพคนเจ็บนางทิ้งไม้เท้าและพัดใบตานร้องเสียงโขมล้มลงที่พื้นจมลงในกองอุจจระัสสาวะของตนคลิ้งเคลื่อนไปมา พระนางรูปนันธาเห็นแล้วว่าเมื่อนายเพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับลำดับพระศาสดาทรงบันดาลให้พระนางเห็นหญิงนั้นตายศพพองขึ้นนอนและมูนอนไหลออกจากปากแผลคือทวารทั้งเก้าฝูงสัตว์มีกาเป็นต้นสมแย่งกันกินพระนางรูปนันธาทรงสดสังเวชพระไถว์ว่าหญิงนี้แก่เจ็บและตายในที่นี้เองความแก่ความเจ็บและความตายจากมาถึงอัตภาพของเราอย่างนั้นเหมือนกันเป็นแน่แท้ ลำดับนั้นพระนางได้ทรงเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาของอนตภาพทั้งปวงพบทั้งสามปรากฏแก่พระนางประดุดกองเพลิงใหญ่เผารนอยู่ทรงเห็นศรีระประดุดซากศพที่ก็ผูกไว้ที่พระสอจิตมุ่งดิ่งต่อกรรมฐานพระศาสนาทรงท ร, ร, ร, ร, ราบภาราจิตของพระนางแล้วทรงใคร่ครวนว่าอาจหรือไม่หนอที่พระนางจากทําที่พุ่งแก่ตนด้วยตนเองโดยยกจิตขึ้นสู่วิปัสนาและบรรลุมรรคผลทรงทราบว่า พระนางไม่อาจทําได้พระองค์ยังจําเป็นต้องช่วยต่อไปจึงนําพระธรรมเทศนาอันหม่อแก่พระนางในขณะนั้นว่าดูก่อนนันทาเธอจงดูกายนี้อันมีกระดูกเป็นโครงอาดูลไม่สะอาดเปรยเน่ามีอสุจิไหลเข้าไหลออกอยู่เสมอแต่เป็นที่ปรารถนานักของคนเขา่าวดูก่อนนันทาเสรีระของเธอนี้ฉันใดเสรีร่าของหญิงนั้นก็ฉันนั้นเสรีระของหญิงนั้นฉันใดเสรีระของเธอนี้ก็ฉันนั้น เธอจึงเห็นธาตุทั้งหลายเป็นของว่างเปล่าอย่ากลับมาสู่โลกนี้อีกเมื่อเธอคลายความพอใจในพบได้แล้วจะเป็นผู้สงบเที่ยวไปในโลกพระนางส่งกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาได้บรรลุโสดาปติผลแล้วพระาศาสนามีพระประสงค์จะอบรมวิปัสนาเพื่อมรรคผลทั้งสามที่เหลือแก่พระนางจึงตรัสสุญญตะกรรมฐานมีในว่านันทาเธออยากเข้าใจว่าสาระในสริระนี้มีอยู่เพราะในสรีระนี้ ไม่มีสาระใดๆเลยสรีระนี้เป็นเพียงนครกระดูกเท่านั้นดังนี้แล้วตรัพพระคาถาว่านครคือใายนี้ทําด้วยกระดูกมีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาเป็นที่ตั้งลงของความแก่ความตายความทนงตนและการรบปลูกคุณของผู้อื่นมีนยะดังพนานามาแล้วแต่ต้นจบพระธรรมเทศนาพระนางรูปนันทาเถรีได้บรรลุพระอรหันตผล